มาเรียนรู้สมมุติสัจจะกับปรมัตทสัจจะกันก่อนเถอเรื่องความจริงหรือสัจจะนั้นมีความจริงยิ่งใหญ่สองอย่างคือสมมุติสัจจะกับปรมตทสัจจะเราต้องเรียนรู้ในทางปริยัติก่อนจึงจะไปปฏิบัติแล้วสัมผัสอ่านความจริง ที่เป็นเวทนาในตนออกและแยกได้ว่าความจริงอย่างนี้คือสมมุติอย่างนี้คือปรมัตา์จึงจะสามารถปฏิบัติเข้าไปเรียนรู้แยกเวทนาในเวทนาได้ว่าความจริงของเวทนาที่เรากําลังสัมผัสอยู่จริงในขณะที่ปฏิบัติปรากฏภาวะ ของเวทนาในตนได้ว่านี้คือเวทนาแล้วเรียนรู้เวทนาในเวทนากระทั่งเรียนรู้มีธรรมวิจัยสัมพชโพชฌงแยกแยะเวทนาในเวทนาได้จริงจึงจะถึงขั้นไปรู้ได้ว่าสมมุติสัจจะนั้นอย่างนี้สุข ของสมมุต like like ิสัจจะนั้นเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้อุเบกขาเป็นอย่างนี้ต่างจากปรมาทสัจจะว่าสุขของปรมาทสัจจะนั้นเป็นอย่างนี้ทุกเป็นอย่างนี้อุเบกขาเป็นอย่างนี้นั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลย พอแค่รู้ในฌานก็ดีรู้ในสมาธิก็ดีรู้ในนิโรธก็ดีหรือรู้ว่าความสงบขั้นปรมัธธรรมคุณวิเศษของพุทธน้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ที่จะไม่วิปลาสไปจากพุทธศาสนั้นคนฉลาดอัจฉริยะในโลกแท้แท ยังยากยิ่งที่จะพ้นจากวิปลาสสสัญญาวิปลาสจิตวิปลาสทิศวิปลาสไปได้